พยายามทาความดีนี้ให้สม่ำเสมอให้ติดต่อกันเป็นเส้นเป็นสายต่อกันอย่าได้หยุดอย่าได้ยอมแพ้ง่ายๆท่านกล่าวไว้ท่านบอกว่าคนเราจะเกิดมาเป็นคนอยากแท้อยากกว่าจะได้เกิดมาเป็นคนสัก ทีนึงอย่างนี้มันยากทั้งนี้เพราะว่าจิตอันนีน้โอกาสที่จะไปเกิดในพกอื่นภูมิอื่นมีมากมายเราดูอย่างตัดเิกสารอยางนี้นี่กับจิตเหมือนกันนะจิตจะไปเกิดเป็นตัดเิกสานตัดิรสกสามันก็มีทั้งหลายจะหลายอย่าง แต่ละชนิดเนี่ยก็มีจํานวนปริมาณเป็นเยอะแยะนี่ตัดเานเปรตประเภทเปรตก็มีต่้งหลายชนิดแต่ละชนิดก็มีจํานวนมากมายที่พูดถึงว่าไปเกิดในพบที่ต่ำภูมิที่ต่ำนะที่มีท่านบอกว่าเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็น ตัดสิริษฐานแล้วเกิดเป็นตัดนรกมีสี่ประเภทนี้แต่ละประเภทก็มีจุงวนมากมายนอนจากตัวยังมีอีกโอกาสที่จะไปเกิดเกิดเป็นเทศเป็นเทวดาเกิดที่สูงสุนไปถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ค่ะโอกาสที่จะได้มาเป็นมนุษย์มันยากสักหน่อยโอกาสที่จะจับพัชจับหูไปเป็นไปเกิดในพวอื่นพวกอื่น มีมากมายก็โดยเฉพาะเรามาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยโอกาสจะทําบุญก็มีพร้อมโอกาสจะทําบาปผมมีพร้อมมันพร้อมทุกอย่างถ้าท่านเปรียบถึงทางรถไฟท่านก็เหมือนเปรียบเหมือนว่ามนุษย์นี่เป็นชุมทางจะไปสวรรค์จะไปพบที่สูงหรือไปที่สะดวกสบาย ก็มาตรงนี้ซะก่อนจะตกไปในภพต่ำภูมิต่ำผมมาตรงนี้ซะก่อนมาตรงภพภูมิของมนุษย์นี่แหละทีนี้มาถึงแล้วเนะ่ยผู้ม่จฉลาดก็ไปเลือกคำจะบาปจะกรรมเมื่อหมดจากภพนี้ภูมินี้ไปซึ่งก็ไม่นานเท่าไหร่นะไม่นานเท่าไหร่ยังยุบของพวกเรานีก้ก็มีอายุโดยเฉลี่ยแล้วร้อยปีก็ยัง ลดร้อยปีลดลงไปปีหนึ่งกเหลือเดี๋ยวนี้ก็เหลืออายุเหลเฉลี่ยเจดิบห้าปีเท่านั้นอ่ะซึ่งนับว่าน้อยน้อยมากในโอกาสที่มีอยู่ในเจ็ดิบห้าปีที่เป็นโอกาสที่สั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ทําความดีความชั่วแต่ว่าความชั่วอย่างโอกาสที่จะลื่นถลี่ลงไปแล้วไปทําทํำด้วยความหลุทําด้วยความโกร ทำด้วยความโลภมีมากมายมีโอกาสมากมายที่เราจะสลําลงไปดังนั้นถ้าคนเราเกิดมาแล้วไม่ระมัดระวังตัวก็มีโอกาสที่ได้ตกไปในที่ชั่วจะได้ไปเกิดเป็นสัตว์เป็นฉหนเป็นเปรตเพืด้เกิดในภพต่าภูมิต่าลงไปอีกมีโอกาสมากมโอกาสที่จะไปเกิดอย่างนั้น พาะฉะนั้นจึงจะต้องระมัดระวังการทำความดีของเราเนี่ยอยากให้ทานรักษาสิ้เจริญภาวนานท่านผูร้รู้ท่านผู้เป็นบัณฑิตมีพระพุทธ เ, เจ้าเป็นต้นพระอรหันต์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านทำมาแล้วท่านพิจารณาเห็นแล้วว่าอันนี้เป็นเรื่องดีเป็นของดีแล้วท่านก็บอก กล่าวอ บ, บอกกล่าวจัดพูแดแสดงทำสั่งสอนตกทอดมาเป็นระยะจนมาถึงพวกเราว่าอันนี้มันดีอันที่ไม่ดีท่านก็บอกว่าอย่าไปทำนะท่านสอนท่านปรสอนก็บอกสั่งต่อกันมาเนี่เรารู้อย่างนี้แล้วเราก็พยายาม ทำเลือกทำในสิ่งที่มันดีมันเลือกได้ในพบนี้ปมนี้ไม่ใช่ว่าเขาจับยัดเยียดมาให้ต้องทำชั่วอยู่ตลอดเวลาก็หาไม่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจับมาอยู่ในนี้แลางให้ทำแต่สิ่งที่ดีโอกาสจะทำชั่วมมนมีเลยก็ไม่ใช่มันเป็นพบปมที่ให้โอกาสแก่พวกเราจะต้องได้เลือกทำนี่เมื่อโอกาสมันมีแล้วอย่างนี้ ต้องตั้ง อ, อกตั้งใจเข้าทีนี้พิจารณาดูให้ดีตั้งสติพยายามระมัดระวังตัวอย่าให้ตกไปในดีชั่วอย่าให้ไปคิดชั่วอย่าให้ไปพูดชั่วอย่าให้ทาชั่วในขณะเดียวกันถ้ามีโอกาสเมื่อไรก็อย่ารีบทําดีอย่างเช่นเขามีการให้ทานที่ไหนอย่าเพิกอย่าเฉยดิหาโอกาสหาจังหวะ ไปทำกระเขา้าทำทานแล้วกําหนดจิตใจของตนให้เบิกบานยินดีในทาง น, นั้นนี่รักษาศีลเขามีรักษาศีลก็ อ, อย่าไปรังเกียจอย่าไปนึกเบื่อหน่ายอย่านึกเบื่อหน่ายในการรักษาศีลเห็นว่าเป็นเรื่องยากลําบากอย่าไปนึกอย่างนั้น ให้มีความยินดีในการที่จะรักษาศีลไปรักษาศีลทางโอทางใจรักษาเาก็จะให้จิตใจเบิกบานของแผวร่วมเย็นทำจิตใจให้รู้สึกว่ายินดีเบิกบานเห็นว่าศีล น, นี่นะเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เราตกไปในที่ชั่วป้องกันไม่ให้เราได้ทําความชั่วต่างๆเนื้อเห็นประโยชน์ นึ้เห็นบุญคุณของศีลเนี่ยทำให้จิตใจของเราเวน้นห่างจากความทั่วโอกาสที่จะตกไปในความที่ชั่วในพบทั่วภูมิทั่วพบต่ำคุมต่ำในโอกาสต่อไปชาติต่อไปพบต่อไปนะ่ะมันก็โอกาสจะตกไปในนั้นมันก็น้อยลงนี่อย่างภาวนาอย่างนี้เนี่ยภาวนาภาวนาจะเป็นสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนา ก็เป็นเรื่องที่จะได้บุญได้กุศลมากเพราะโดยเฉพาะบุญกุศลนี่ที่จะเกิดจะเกิดขึ้นมาบรรจุลงไปไว้ในใจเรามาทําภาวานานี่เป็นการบรรจุเอาความดีทั้นสุดยอดลงสู่สจิตสู่ใจโดยตรงทีเดียวดันงนั้นงานนี้เมื่อมีโอกาสเมื่อไรการภาวานานี่อย่าข้อถอยเราเดินโยงกลมเรานั่งสมาธิ ต่างๆเรานี่ล้วนแต่เป็นการกำหนดเพื่อจะให้จิตใจของตนสงบสํารวมลงสู่ความเยือกเย็นลงสู่ความสงบสันติให้มีความรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากมหาศาลเราจะทำได้แค่ไหนขนาดไหนก็สมควรจะทำถ้าทำมาที่แล้ว มีความรู้สึกว่าไม่กล้าหน้าไม่เท่นไม่ไปอยากเพิกอย่าเฉออย่ากค้อยอย่ากทอดสายง่ายๆให้เข้าใจว่าสิ่งนี้แหละเป็นจริงที่สุดในนี้ถ้าจะพูดถึงว่าผู้ที่คอยขัดขวางถ้าสมมุติว่ามีผู้ที่คอยขัดขวางเขาย่อมจะคอยขัดขวางอยู่เรื่อยโดยเฉพาะที่เราอยากทําความดีที่ดีมากๆเนี่ย เขาต้องพยายามสุดความสามารถเหมือนการที่จะถัดขวางไม่ให้เราได้บรรลุความดีถ้าเราจิตใจสงบเยือเกเย็นจิตรวมลงเป็นสมาธิเ ป, ปปาาธเป็นอุปจารสมาธิเป็นอปนาสมาธิสักทีหนึ่งพ้นหนึ่งอย่างมันมีความยิ่งใหญ่มันมีความสำคัญท่านพูดไว้ถึงว่า มีความรู้สึกว่าโลกนี้เลื่อนลั่นกันกระเทือนอะไรต่างๆเรียบราบลงไปหมดจิตสงบลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเรียบราบทุกสิ่งทุกอย่างสงบร่มเย็นไปหมดอันนี้เป็นเป็นความดีมากเป็นคุณความดีที่สูงมากพญาน้นผู้ที่จะมาคอยดึงไว้คอยรั้งไว้คอยขัดคอยฟังไว้เนี่ยเขาก็ต้องพยายามเป็นที่ ผู้นั่นคืออะไรผู้เกลียดผู้คร้านความเกลียดความคร้านความเบื่อหน่ายความเทาะความถอยความกระจับกระตายต่างๆเหล่านี้น่ะพวกนี้แหละเป็นผู้ที่คอยต่อไปได้าถ้าเราไม่ยอมหยุดไม่สนใจแกเรามุ่งทําความดีไปเรื่อยความดีอันนี้ยิ่งใหญ่ ทำความสงบนี่นทำไปเรื่อยมันจะเบื่อจะนายจะเหนื่อยอดเอาทนเอาฝ่าฝืนมันถ้าทำอย่างนี้ต่อไปถ้าสมมติว่าจิตใจยังไม่สงบความที่อื่นก็เกิดขึ้นเยอะมากมายขันติความอดทนซึ่งเป็นสิ่งที่หาที่ไหนก็ไม่ได้ไปหาต่างประเทศก็ไม่ได้ไปหาตามท้องตลาดที่ไหนก็ไม่ได้ซื้อก็ไม่ได้ขอก็ไม่ได้ มันก็จะเกิดเนี่ยแหละมันเกิดขึ้นมาเพราะเราได้อดไดทนน่ยเพราะเราได้ฝ่าฝืนความที้ข้านฝ่าฝืนความเบื่อนหน่ายมันก็เกิดความอดความทนขึ้นมามากมายมันได้ประโยชน์ถ้าความอดทนก็ได้ความตั้งใจตั้งใจที่ไม่ท้อไม่ถอยความเบียดบิริยระ มันก็เข้่มแข็งมากขึ้นสิ่งต่างๆเ่านีล้วนเป็นกำลังเป็นคุณสมบัติที่ดีของจิตของใจฉะนั้นมันก็เพิ่มขึ้นมาเราอย่าเน้นว่าเราไม่ได้อะไรการภาวนานี่ยนะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แม้ว่าจิตเจีงไม่สงบจิตเจียงไม่รวมไม่รวมใหญ่เป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิเหมือนอย่างที่ท่านว่าลงสูงจิตเดิมแท้เนละ ถึงแม่จะไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราก็ได้คุณธรรมอื่นๆประกอบขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นอย่าท้อถอยอย่าท้อถอยอะไรง่ายๆโดยเฉพาะยิ่งการทําความดีนี่นะอย่าท้อถอยมันหักนี้หรอกเรื่องเก็บมาให้เราท้อถอยนะ่ะเจ็บไข้ป่วยวันนี้รู้สึกกระขั้นแต่ก็ เจ็บปวดเนื้อตัวไปหมดรู้สึกปวดหัวรู้สึกอ่อนเสียเพี้ยแรงมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะให้เรายกขึ้นมืออ้างแล้วก็ว่าเออพักซะก่อนซะเลิกซะก่อนแล้อย่าไปทํามันเลยเชริญจงกรมเนีเนั่งภาวนาเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุใหไม่ได้ทําความดีชิ้นใหญ่เนี่ยอันนี้เราก็ขาดคุนแล้วก็คือจิ่งเหล่านี้มันมาอยู่เรื่อย เมื่อไหร่เราจะนําความดบียรลองสังเกตเถอะมันจะมีเรื่องที่ขัดข้องคอยขัดข้องคอยคว้างทางคอยดึงเราลั้นเราไว้อยู่เสมอเสมอสีเดียวเรื่องมันเป็นอย่างนั้นที่นี่เราไม่มีวิธีอื่นหรอกไม่มีว่าเดี๋ยวหลวงปู่จะมาช่วยเราเราถึงไม่ทําเองไงเดี๋ยวหลวงปู่จะมาช่วยแล้วให้เรามีกาลังจิตใจ จิตใจเราจะพัฒนาไปมันไม่ให้อย่างนั้นหรอกมันไม่มีหรอกมีวิธีเดียวเท่านั้นคือเราต้องทาเองถ้าสมมติวันนี้เรางอมือง่งอเท้าเสียตามคำแนะนำของผู้ที่มาขัดขวางวันหน้าเราก็ต้องทาอีกอ ย, อย่างเดิมนั่นแหละไม่มีใครไปทำให้ได้หใจิตใจของเราก็เป็นเราเน่ยแหละจะต้องทาเองต้อง ท, ำทำอําอง ถ้าจะต้องการให้มีความสงบให้มากขึ้นกว่านี้เราก็จะต้องเป็นเราในี่แหละทาถ้าต้องการให้มีน้ำอดน้ำทนมากก็เป็นเรานั่นแหละต้องหัดอดหัดทนมันไม่พ้นเราไปได้หรอกคือไม่พ้นจิตดวงนี้ไปได้ดังนั้นถึงเราจะภาวนาเป็นไปไม่เป็นไปอย่าอย่าได้นึกทอดถอย อย่าท้อถอยอะไรง่ายถ้าท้อถอยง่ายแล้วไม่ได้ของดีดมันมดีดีผสมอยู่คนอยู่เยอะแยะมากมายอย่างทุกล่าวนั่นแหละในโลกไม่มีเยอะความดีก็มีความช่วกความดีมากมากคนอยู่ในนี้แหละเรายิ่งมีเวลาน้อยล้วจะมาย่อท่ออยู่แค่นี้มันจะไปได้อะไรแล้วกว่าจะได้วกกลับคืนมามาเกิดในที่พกนี่ มาเกิดเป็นภพนี้ภูมนี้เป็นมนุษย์ตัวอย่างเกิดมาแล้วยังไม่รู้ว่าจะตกโอกาสดีในยุคสมัยที่เขาภาวนากันหรือเปล่าแล้วยังจะไม่รู้จะมาพบหมู่เคลื่อนที่เขาตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติทำอยู่อย่างนี้หรือเปล่าสถานที่เราจะมีไหมเข้าปลาอาหารจะอุดมสมบูรณ์ไหมให้เราไม่ต้องกังวลนะแล้วอากาศ ภูมิอากาศต่างๆเราจะไปอยู่ได้ไม่ไม่ว่าจะไปเกิดไปในสถานที่มันแฉ่งจะร้อนเราอุ่ยังไงก็ทำไม่ได้จะทําความสงบมันก็ร้อนจนจะทนไม่ได้หรือไปอยู่ในที่หนาวเน็บซะจนไม่สามารถจะกําหนดกี่ได้ไม่รู้เราจะไปเกิดอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราได้ดีแล้วนี้พยายามให้มากๆ ถึงจําเป็นจะต้องใช้ควา <Yeah. S 1> มอดทนก็เป็นอยามก็ใช้อดเอาคนเอาเหนื้อเยากอยังไงกดทนเอาให้เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นเรื่องดีที่สุดแล้วก็ไม่มีใครทําแทนเราได้เราจะไปหวังอะไรข้างนอกน่ะส่วนมากเรไปเที่ยวหวังข้างนอกไปเที่ยวคนนู้นเพื่งคนนู้นหวังคนนี้เพื่งมือเพื่งหมูือเพื่อนเพื่อนครูบาอาจารย์เพื่งสํานักเพื่งนมินมัตเต้ จะไปพึ่งทำไรจริงเหล่านั้นนะเป็นส่วนประกอบเท่านั้น่ไม่ใช่ตัวเอกอะไรหรอกตัวเอกจริงๆนะ่คือเจตเราใจเรานี่แหละนี่ต้องคิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วจะมีกหลังใจแล้วที่สุดแล้วท่านบอกว่าต้องให้พึ่งตนเองนะะั่นแหะอัตตาหิคัตโนนาโถตนแหละเป็นติพ่นของตนถ้าไม่มีความจริงท่านจะตัดไว้ทําไม ถ้าเราพึ่งคนอื่นได้อะไรอะไรก็ไปพึ่งคนอื่นเนี่ยถ้ามันพึ่งได้เราไม่จําเป็นก็ได้ไม่จําเป็นต้องอัตตาหิอัจโนโนาโธพระพุทธองค์ก็ไม่สัดว์ล้ออัตตาหิอัจโนโนะโธน่ะตนไปทีพึ้นของตนแต่ว่าความจริงแล้วมันจะไปถึงทางที่มันห้วนมันหมดมันตั้นทางมันจนจบแล้วนะ่ย มันไปไหนไม่รอดหรอกมันูัวบกแบบขึ้นมาพึ่งตนเองอยู่ดีละ่ะการจะทําไม่เหมือนกันไปหวังหวังคนนูน้นหวังคนนี้หวังอาจารย์หวังหมูหวังเพื่อนแล้วหวังในทีไหนในที่สุดเขาก็ไปของเข่าแล้วไปตามสภาพของแต่ละคนแต่และโอกาสของใครของใครไปตามความจําเป็นของแต่ละคนแล้วเราจะทํำยังไงละ่ะตอนนี้ นี่มันต้องคิดไว้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันจะทําให้เรามีหลักว่าเอา้าพึ่งหวังใครไม่ได้หรอกต้องเหลือแต่เราเท่านั้นแหละในที่สุดติดมัวหวังอยู่เลยมันก็จะถึงถึงมันจะลําบากไยมันจิตใจมันก็จะวกกลับกลับขึ้นมาพยายามมันจะมีความพยายามถึงยากลาบากถึงเนงหน็ดถึงเหนื่อยถึงวันอะไรมันก็จะพยายาม ทำทำความดีทำภาวนาต่อที่นี่เราสังเกตมูลงกู